รมของพระพุทธเจ้าลงในความกินได้ด้วยการที่สู่ของผู้ปฏิบัติสมงกับที่ทรงค์ไทรงแสดงแก่กาลามชนในกาลามสุอยากให้เชื่ออยาเชื่อหรือไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์นั้น สำหรับตำราไม่เชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได้เป็นต้นทำที่กล่าวนี้หมายถึงทาที่จะพึงรู้จริงเห็นจิงจากภาคปฏิบัติเองมอบให้รู้จากภาคปฏิบัติจริงจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องการเอาความรู้ความ กิงจากผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระศาสดาก็พระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์จะให้รู้จักพระองค์โดยให้มาเป็นความจริงของตัวเองต้องให้รู้จักตัวเองเพราะความจริงที่ตนรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยในธรรมนี้เป็นธรรมขั้นสูงเพื่อไม่ให้เชื่อตำการตาหลับตลาตามธรรมดาต้องเชื่อ เชื่อครูเชื่ออาจารย์ต้องเชื่อมันทั่วๆไปแต่ต้องเมื่อจะเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตจริงกันจริงๆ จ, จ, จ, จากการปฏิบัติต้องให้จริงรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติของตนเท่านั้นที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจังเวดิตะโบ ยืนยันท่านจงหมายอย่างนี้เป็นทำขั้นสูงทำขั้นทั่วทั่วไปก็จําต้องเชื่อครูเชื่ออาจารย์แต่พอถึงขั้นปฏิบัติแล้วต้องเชื่อขึ้นด้วยความกิงของตัวเองที่เกิดขึ้นกับตนโดยการปฏิบัติของตนไม่ว่าพระพุทธเจา้าไม่ว่าพระสาวกองใดร้อยครั้งร้อย พระองค์เองก็ทรงรู้ด้วยการปฏิบัติของพระ อ, องค์เองพระสาวกก็รู้ด้วยการรู้จริงด้วยการปฏิบัติของท่านเองทั้งนั้นไม่ยอมคือไม่ต้องการจากความรับรองของผู้ใดไม่ต้องการจากความเชื่อถือของผู้ผอื่นใดนอกจากความเชื่อตัวเองด้วยความจริงที่รู้ขึ้นกับตน เนื่องจากการปฏิบัติของผลเท่านั้น <c oughs> ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงสําเร็จมาจากการพิสูจน์ของพระองค์ในภาคปฏิบัติก็ทรงทําหลายแง่หลายกระทงเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นและไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมาก่อนด้วยแม้แต่คนเดียวรายเดียว พอที่จะมาแนะนำการ ว, วิธีดำเนินการให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและจะทรงดาเนินตามนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ทรงคิดค้นคว้าด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองทั้งนั้นจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองในขณะที่รู้พระทรงปฏิบัติค้นคว้าเองโดยลำพังพระองค์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 เองด้ทรงเปลี่ยนแปลงจากวิธีการอดพระกยายารนั้นย้อนกลับมาสู่การเสวยพระกาย า, ารและมีธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องเพื่อมากเพื่อผลเพื่อการตรัสรู้จริงๆคืออนาปานสติตที่ทรงระลึกย้อนหลังในคราวที่ทรงเยา่าตอนที่พระราชบิดา อาปาเลกนาขวัญพระองค์ทรงบําเพ็ญในขณะนั้นนั่นแหละเป็นคติอันดีที่พระองค์จะชงนํามาเป็นวิธีการดําเนินเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในความปีนทั้งหลายจึงได้ทรงบําเพ็ญด้วยอนาปาลัติในคืนวันแรกที่จะแต่ชะลูนั้นสรดูแล้วก็เอยกว่าพระองค์ทรงผลขนขวายด้วยพระองค์เอง มีพระสิทธิกำลังความสามารถเพือนไรก็ทุ่มเทลงเต็มความสามารถปฐมยามก็ทรสงสราบเป็นธรรมประกอบคือระลึกชาติถอยหลังได้ย้อนหลังอดีตกชาติของรองคมเป็นมาอย่างไรอย่างไร ได้แม้จะไม่เป็นภูมิแห่งศ า, าสดาที่กำลังจะแัดสรู้อยู่แล้วก็ตามแต่ก็เป็นพยานที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเป็นความรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติถถมัมิมายามก็ชมรู้ปิตุปาตยายคือความ ตุตินีแต่ความเคลื่อนและความเกิดความตายของสัตว์ถ้าพูดง่ายๆว่ายอย่างนั้นเพราะถึงปัิมยามก็ตรงตรัสรู้เป็นอาสวัคยาญาณเกิดขึ้นนี่ทรงบำเพ็ญอะไรที่เป็นรากฐานสาคัญให้ได้รู้ในธรรมทั้งสามประเภทนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทสุดท้ายคืออาสวัคคยาญาณทรง บำเพ็ญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นพระจิตมีความสงบเย่อเยิ่นปราศจากความกังวลวุ่นวายที่จิตจะต้องสายแสออกแสวงหาอาหารอันเป็นวิสัยของกิเลสไม่มีความเพียงพอมาตั้งแต่ก่อนก็ระงับดับไปหมด เมื่อจิตใจมีความใสสะอาดก็เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดสามากรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นสิ่งที่เคยเป็นไปในจิตเป็นมาของจิตก็ทรงสราบย้อนหลังไปเช่นบุเพนิวาสารุสิยาตสตุ ป, ปาตยานเป็นผลที่ปล่อยได้ในการปฏิบัติโดยถือพระอนาปามิ เป็นรากฐานสำคัญเ ม, มื่อจิตนีถ้าจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วคนขนาดผู้ที่จะจัดสรุปทำเป็นจัดสรรสอนโลกอยู่แล้วทำไมจะนิ่งนอนใจไม่พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ใช้ในขณนะที่จิตละเอียดอยู่ในอนาปานสตินั่นแหละจิตสงบ ก็เรียกว่าสมุทัยสงบตัวความกระเพื่อมของจิตแต่ละขณะขณะที่จะแสดงตามเรื่องของสมุทยัยคือกิเลสกดปรากฏขึ้นมาพระปิปัญญาซึ่งพร้อมที่จะพิจารณาหาความจริงทั้งหลายก็ต้องค้นคว้ากันในเวลานั้น อวิชชาปฏิยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจิยาวิญญาณเป็นแถวเป็นแนวไปนี่เป็นอาการของอวิชชาคือท่านบรรยายไปนี้ไม่ใช่วิธีการลอวิชชาเป็นเพียงอาการของอวิชชาท่านเล่าตามอาการเขียนไว้ตามอาการของการพิจารณาอาวิชชาและดับอวิชชา ไม่ใช่วิธีการถอดถอนอวิชชาระดับอวิชชาวิธีการของการถอดถอนอวิชชาที่เกลียดต่างๆซึ่งเป็นบริษัทบริวารของอวิชาตลอดถึงการข้ามอาวิชาอาวิชาให้จมลงพื้นแห่งสมมติทั้งมวลหรือแต่ถ้าจิตที่บริสุทธิ์้นนั้นเป็นพระสติปัญญาต่างหาที่ทรงพิจารณา เทียบเทียงให้ได้สัดได้ส่วนทุกแง่ทุกมุมมีวิธีการแหการดับอวิชชาคือพระสติปัญญาดับด้วยพระสติปัญญาเมื่อทรงดับที่เลสมีอวิชชาเป็นสําคัญโดยสิ้นเชิงแล้วจึงทรงแสดงอาการของอวิชชาตั้งแต่อวิชชาขึ้นมาเป็นลำักอวิชชาปฏิยาสร้างก้าราอาวิชชาทํำไมเกิดสังขารสังขารเกิดยื่ใหญ่เขาว่าต่อกันไป เป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั hmm. ้นผู้ปฏิบัติจะไปพิจรารณาให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ mm hmm. ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงขึ้นอยู่กับการพิสูจน์คือปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองเป็นของสาคัญดังองค์พระศ า, าสดาที่ทรงเคยเป็นศ า, าสดามาก่อนพวกเราทั้งหลายและประธานเทววาสไว้พระองค์ทรงพิสูจน์ด้วยการค้นคว้าชนิพิจรารณา ที่เรียกว่าภาพปัฏิบัตจนในรู้แจ้งเห็นจริงหรือรู้แจ้งแทงตลอดโอยจะทำทั้งหลายอาวิชาก็าดับไปหากินมาแจ้งเรื่องอวิชชาไว้ว่าอาการที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าสุริโยโหติในเบื้องต้นของอวิชชาเยอวิชาปัยาสร้างฆาราสาร้างฆาดาปฏิยาวิญญาหนังเลื่อยไปจนกระทั่งถึง เอว่าเมตตาสัจเกวราลัสากับขั้นดัสสะสมุรยโยโมติเหล่านี้เป็นอวเป็นสมุทัยทั้งนั้นสมุรโยนโหติเป็นสมุ ท, ยทั ย, ทยแดนเกิดแห่งทุกทั้งหมวลเมื่ออวิชชานาบับอวิชชาจะตะเว่าเสสวิราลานิโรธาสร้างข้ารานิโรธถสร้างข้ารานิโารธ า, าวิญญาณายโทยกระทั่งถึงนิรุตชันติ หมือวิชาดับอันนั้นนั้นก็ดับดับดับดับไปพร้อมๆกันอันว่าก็เหมือนอย่างต้นไม้เมื่อมันอย่างรากแก้วแ ล, ล้ะรากขอยขึ้นมาเป็นต้นแล้วมันทําไมมันจะไม่แตกขแขนงออกไปล่ะต้องแตกไปโดยลําดับ น, นั้นก็แตก น, นี้ก็แตกแตกไปโดยลําดับลําดับขึ้นเพราะถอนถอนมันขึ้นจากดินเท่านั้นทุกอวัยวะของต้นไม้นั้นก็ดับไปพร้อมพร้อมกันหมดเพราะการถอน มันเป็นประโยคสําคัญนั้นเท่านั้นนี่ท่านเล่าอาการอย่างนี้ตัางหากแต่วิธีการถอนนั่นถอนอย่างไรพิจารณาอาวิชชาถ้าพวกเราที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นท่านจึงสอนให้พิจาณาอย่างไปตามความจําเป็นของตั้งแต่เพื่อความสงบด้วยวิธีการต่างๆในด้านสมถะภาวนา แล้วบพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าตัลุนะริปัสนาริปัสนาอ่อนๆไปตามขั้นของสมาธิแล้กวก็ค่อยๆฟางฝังออกไปแยกคายออกไปเข้าใจไปเรื่อยๆถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทำงานเรื่อยๆจนกระทั่งวงแคบเข้ามา เพราะข้างนอกก็เดีพิจารณาแล้วรูปไม่ว่ารูปประเทศใดมาเดีพิจารณาเป็นอจจังทุกขังอสร า, ารูปที่เป็นห้าสึกต่อจิตใจของคนมีเกลียสที่สุดก็คือรูปตรงกันข้ามรูปหญิงรูปชายแยกแยกพิจารณาไปในธรรมซึ่งเป็นแย่ที่จะเป็นคู่ปรับต่อกันได้แต่พิจารณาปฏิกูปอสุภะอสุพัง กวามไม่สวยไม่งามซึ่งเป็นหลักความจริงประจำร่างกายของคนเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ประเภทต่างๆน่าให้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆสักๆจนเป็นที่เข้าใจเห็นได้ชัดซึ้งภายในใจเมื่อได้ซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่แล้วการพิจารณาเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปเองเพราะจิตใจได้อิ่มตัว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 สิ่งนั้นก็เป็นเหมือนสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหมือนสิ่งนั้นต่างอันต่างเป็นอสุภะอสุภังเป็นของปฏิปูลโสกโกด้วยกันเรายังจะมังงมเอาฝืนความจริงของโอเดยเจ้าว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราก็เท่าเข้ากับเราไปโกยเอามูดเอาคูดอยู่ในซุ่มในฐานขึ้นมาขยี้ขยำสูดดมหรือดื่มกินนั่นเอง ก็เมื่อเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างนั้นแล้วจิตจะประยุทธ์ได้อย่างไรถือได้อย่างไงนี่คือความซึ้งของใจเพราะการพิจารณาซ้ำๆสักๆจนเป็นที่เข้าใจอีกก็ปล่อยว่างนี่อุบายวิธีการพิจารณาอาวิชชาแขนงของอวิชชาบริษัทบริวารของวิชาซึ่งเป็นกิเลส ท, ทั้งหมดมันก็เกี่ยวรวงกับตัววิชา แต่ยังไม่สามารถติจาชืเขาเข้าถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรได้ก็ต้องาทาถางเข้าไปถากถางเข้าไปจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ทงรูปนอกรูปในขันนอกขันไหนเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีทางสงสัยดูเมื่ อ, อไหร่ก็ซึ้งอยู่อย่างนั้นตามความจริงไม่ปีนเปียวกับคำไม่ คือดึงไม่ฝา่าฟื้นคําสอนของพุจจเจ้าที่ว่าเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะอรูธรรมหรือเป็นอนิจจังทุกขงาาังนาตาน้อมประทางอสุภะก็ซึ้งว่าเป็นความจรงิงปฏิคูลโศกโรก ป, ประการต่างๆทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีใครยิ่งด อ, อนกับใครหยิบได้ทราบซึง้งไม่บินเกลียวกับธรรมแต่พูดถึงอนิจจังทุกขงาาังนาตาก็แปรสภาพอยู่ตลอดเวลา ทั้งทั้งที่มันว่ามันเป็นกปฏิกูลมันยังแปลของมันไปอีกแปลไปจนสุดฉีดแหงความปฏิกูลลงถึงความเป็นทาตเดิมของมันรู้ซึ่งไปตามนั้นแหละจิตมันจะประยึดไปถืออะไรดินทั้งแผ่นน้าทั้งบึงทั้งหนองดูทุกแห่งทุกหน ม, มีแต่น้ําในตัวของเราก็น้ําก็ทราบแล้วว่าน้ําแล้วยังจะฝืนไปยึดว่าน้ํานี่เป็นเราเป็นของเราได้อย่าง ลมก็คือลมหายใจเป็นต้นมันก็ลมก็เป็นลมอย่างนี้ข้างนอกก็เป็นลมข้างในก็เป็นลมแล้วเอาลมมาเป็นเราเป็นของเราแต่รักชอบหลงวมงายในลมได้ยังไงไฟนะเห็นกันอยู่ไฟเป็นไงท่าไฟเนะี่ยถ้าซึ่งแล้วมันก็ลงลงถึงความจริงทุกอย่างดินก็ลงถึงดินอย่างเต็มภูมิของจิตน้ำก็ลงถึงน้าลงถึงลมถึงไฟเต็มที่ ด้วยความทราบซึ้งไม่มีทางสงสัยไม่ต้องบอกเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถอนตัวเข้ามาทันทีทันใดเมื่อพอแล้วพอตัวแล้วนอืการกวาดต้อนกิเลสเข้ามาหรือการปราบกามกิเลสถอดถอนกิเลสถอดถ อ, ดถอนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความท่าเพียร จนเกิดจัตตาความเชื่อมั่นตามความจริงเรียกว่าอาจนาะศัทธาหาความโยคลอนไม่ได้ถ้าลงได้เชื่อตามหลักปฏิบัติโดยทางสติปัญญาแล้วจะได้รับความซึ้งใจถึงความจริงเหตุธรรมหาที่ค้านทำความพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อจิตไม่ค้านทำจิตก็มีความสะดวกสบายไม่ก่อภัยเท้ารลนตัวเอง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 ทุกเวทนาทุกขเวทนาแต่พ่ออย่างยิ่งสุขทุกอุเบกขาเวทนาในรูปประขันเป็นสําคัญในท่านนี้ต้องถืออันนี้เป็นสําคัญกว่าจิตเวทนาเมื่อเข้าใจทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่พาะ อ, อย่างยิ่งทุกขเวทนาในอย่างชัดเจนระหว่างรูปประขันกับเวทนาขันที่มันเข้าเกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวโยงกันด้วยความสําคัญมั่นหมายของเรา นี่แมันแยกกันออกได้ยากอการแพ้กับแพ้กันตรงนี้เวลานั่งภาวนานานๆเจ็บปวดขึ้นมามากไม่สามารถที่แยกแยะทุกเวทนาที่แทรกกันอยู่ในรูปประขันหรือเวทนาขันทุกขเวทนาขั น, ทข น, ขนแทรกหยึดกลมกลืนกันอยู่กับรูปประขันส่วนใดส่วนหนึ่ง เส่นตรงตื่นกันอยู่ในเนื้อหรือในหนังในเอ็นในกระดูกท่อนใดขึ้นใดก็าตามมันจะถือว่านั้นเป็นเป็นเราเป็นท้องเราและนั้นเราเป็นทุกขนะ์นั้นตรงนั้นของเราเป็นทุกข์ตรงนี้ของเราเป็นทุกข์เลยกลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของสิเลตมันแท้ที่อย่างนี้จึงต้องได้พิจารณาแยกตามหลักของสติปัญญาไม่ไม่ต้องต้องว่าดภาพไม่ต้องคาดต้องหมาย ลงตามความจริงเลยทุกเป็นยังไงก็พิจารณาตามเรื่องของทุกที่มันเป็นอยู่กับอวัยวะส่วนใดแยกดูอ ว, วัยวะส่วนนั้นให้ชัดเจนและแยกดูทุกขเวทนาที่มันแทรกซึมอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นอีกให้ชัดเจนเหมือนกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันก็แยกกันเอกสุดท้ายมันก็วิ่งเข้ามาหาจิตเป็นกระแสของจิตที่ออกไปสําคัญมันหมายโดยไม่รู้สุตัวพอเข้าใจในเงื่อนทั้งสองนี้แล้วมันก็เข้ามาสู่ใจใจก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันทุกขเวทนามันก็ดับได้ การพิจารณานี่แหละคือการพิสูจน์หาความจริงการพิจารณาหาความจริงด้วยภาคปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นความจริงขึ้ น, นมาจากภาคปฏิบัติโดยไม่สงสัยดังธรรมุตรเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกอย่างจากภาคปฏิบัติทั้งหมดไม่มีภ า, าคขังคันจดําที่จะนํามาสอนโลกเลยนีแต่เหตุ <c oughs> ก็เป็นภาคปฏิบัติของพระองค์ทรงได้ปฏิบัติมาแล้วผล ก็เป็นภาคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ทรงได้รู้เห็นมาแล้วอย่างเต็มประถ่ายนํามาสั่งสอนโลกเมื่อการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วทั้งเหตุทั้งผลเรืงเป็นธรรมความจริงมัวนคนี่เราพูดที่จะพิจารณาให้เห็นความจริงสําหรับตัวของเราเองก็ต้องพิจารณาดังที่ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติสัญญานี่สําคัญมันแทรก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 สั้งขานที่ตรงในทางถูกก็เป็นสมุทยัยตรงในทางถูกก็เป็นมรคคือสติปัญญาเนี่ก็เอาพียงแค่นี้ไม่ต้องเอามากเพียงเวทนาสัญญาทังขารมิ ญ, ญาณที่เป็นอยู่กับขันห่านี้พอทราบนี่แล้วมันก็เข้าสู่ภายในใจสุกเวทนาภายในใจทุกขเมเวทนาภายในใจอันเป็นส่วนละเอียดตามขั้น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 ดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสจะไปซุ่มซ่อนอยู่กับขันใดความรุ่มหลงความยึดถือมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นจะซุ่มซ่อนแทรกซึมในในขันใดไม่มีเพราะปัญญาตีตะล่มเข้าไปหมดแล้วคลี่คลายดูหมดมีแต่เรื่องของขันสักแต่ว่าขันขันใดก็สักแต่ว่าขันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืม รูปกัสัตวารูปประขันเส้นร่างกายเวทนาสุขทุกข์กเฉยเฉยก็สักแต่ว่าอาการซึ่งเกิดขึ้นนะตั้งตั้งอยู่แล้วดับไปชัญญาก็เป็นเพียงอาการของจิตที่แทกซึมออกไปหลังขานคือความคิดที่ปรุงขึ้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วดับไปดับไปผลดูท้ายก็มีแต่ความเกิดความดับเพราะนั้นหาสาระแก่สารกับสิ่ใดไม่ได้ขั้งถึงยิ่งา สัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ดับไปพร้อมกับความสัมผัสสัมพันธ์ีหลาวิธีการทำลายที่เลตกลิ่นก้านสาขาของวิชาไปจากความหลงรูปเสียงกลิ่นลดกล่อมสัมผัสไปจากความหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละไม่ไปจากไหนนี่เป็นสถานที่หรือเป็นทำเลหาอยู่หากินเป็นทำเลปกครอง เป็นทะเลยึดถือของอภิชาเพราะมีบริวารมากสถานที่กว้างขวางมากเมื่อได้ถูก ต, ตีต้อนเข้ามาด้วยสติปัญญาทธ า, าความเพียนแล้วก็จะรวมตัวเข้ามาดังกงิจการจนไม่มีที่เกาะจะไปเกาะรูปก็ทราบทันแล้วโดวยปัญญาโดยทางพิจารณามาแล้วเมตนาจะเป็นเวทนาไหนมันก็คือเวทนาอยู่ อยู่ดีๆรู้แล้ว อ, อืสัญญาสังขารมิหยางแต่ละอย่างละอย่า ง, างมันก็สักจแตอาการอาการดังที่กล่าวมาแล้วซึ้งด้วยเพราะการพิจารณาของเราหมดความติดใจหมดความยึดความถือหมดกังวลทิกังวลความความกังวลก็เกิดขึ้นจากความยึด ความยึดก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความกังวลก็แทรกเข้าไปอีกเป็นกิเลสประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือความทุกข์รวมตัวแล้วมาเป็นความทุกข์แก่จิตใจเองเมื่อใจิตใจได้พิจารณาลงไปโดยทางปสติปัญญาให้แจ่มแจ่งชัดเจ่ม แ, แล้วท้อนออกก็เหมือนกับเราอ ถ, อถอดเทียนถอดน้ําออกจากตัวของเรานั่นแหละสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิ จิตก็เป็นสนามบกระหว่างกิเลสกับธรรมคือมัจจิมาหรือวัตถิปัญญาพาดพันหันแหละกันลงไปที่น่ะมีจิตนั้นไม่กว้างขวางมีเพียงความรู้นี่และแสดงอาการแห่งสังขารที่แสดงขึ้นเท่านั้นและดับไปดับไปเพราะจิตไม่หยุดสังขารท่องมวลแล้วรู้เท่าแล้ว แต่ยังไงมันก็ต้องมีอาการของมันแสดงขึ้นเพราะสมุทัยมันดูภายใจิตใจต้องแสดงออกมามายืดยาวก็พอให้ทราบคือไม่กว้างขวางออกไปภายนอกเหมือนแต่ก่อนก็พอทราบได้ว่าสังขารนี้ปรุมมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุปรุมขึ้นมาให้เกิดดีเกิดชัว่วให้เกิดรักเกิดชังเกิดความยินดีมันตลบทบทวนกันอยู่นั่นที่คลายกันอยู่นี่น พุยเฉียฝุดค้นกันอยู่ที่นั่นฟันกันอยู่ที่นั่นผลสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวนิเรศทั้งมวลที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายในจิตโดยถือจิตเป็นอุโมงค์ถือจิตถือจิตเป็นเกาะกำบงังก็ถูกทำลายซะหมดโดยสิ้นเชิงเมื่ออวิชชาปัจญาสั้งคลาดับไปแล้วมันก็เป็นนิรุตทันติเท่านั้นเองว่างเลยเมื่อวิชาดับ ไม่มีเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอร้างขาราก็มันก็สังขารก็เป็นสังขารล้วนๆเสียเนี่ยคือขันล้นลน <Ooh. S 1> วนๆรูปก็คืออวิชชาหมดไปแล้วปัจจยนั้นหมายว่าคำเป็นปัจจัยต่อกันไม่เป็นเครื่องหมุนกันไปให้เกิดสังขารสังขารประเภทนี้ก็หมดไปเสียเพราะไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องหมุนเป็นปัจจัย สัญญาณความรับทราบก็ไม่ได้รับภาบเพื่อเป็นกิเลสตัณหาวิชาปัญญาสร้างขาราสร้างข้าวาปัญาาาปญายิ่ญยาน้อญญายิ่งยานามารูปังไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องนามารูปหรืออะไรก็ตามถึงให้เกิดนามารูปมันก็เกิดไม่ได้เพราะวิชามันดับไปแล้วจะ อ, อะไรมาเกิดสรารยัตนะความสัมผัสสัมพันธ์เลื่อนจะให้เกิดเยานาจะให้เกิดตัณหามันเกิดไม่ได้เพราะมันไม่ไม่มี เชื้อที่จะพาให้เกิดเบตนาให้เกิดตัณหาให้เกิดภพเกิดชาติจน้ า, นาลาชโซชกับไปดูขดวนมุตตุไปาาุล้วะช่ไหคือดูค่าทางท่านมาไม่หนึ่งพระอวิชชายัตเววะเส่สวิาการ น, นิโรธาสร้างค่าราณิโรโทเป็นต้นนีดับไปจากนี้เราดับไปตลอดสายเลยลมันก็ดับ พ, พร้อมๆกันนั่นแหละท่านหากแยกออกไปเฉยๆเป็นอาการ เราอยากเข้าใจว่าเมื่อนี้ดับแล้วอันนั้นจึงจะดับอันนั้นจึงจะดับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาเป็นความเข้าใจผิดเรื่องความจดความจําจากการศึกษาเราเรียนนั้นยอมรับว่าต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเข้าใจว่าจะต้องดับไปโดยลําดับเรื่องเกิดขึ้นต่อกันไปเป็นลูกโซ่ไปโดยลําดับมันอยู่ในด้วยกันนั้นแหละแต่แยกเป็นอาการออกไปเวลาดับก็เหมือนกันพออันนี้ดับแล้วอะไรอะไรมันก็ดับด้วยกันหมดเหมือนอย่างต้นไม้ที่ รากมันขึ้นมาแล้วนั่นแล้วอะไรมันดับก่อนดับหลังกินเราก็พอสร้างมันได้เลยมันก็ดับไปพร้อมๆกันแหละกินมันก็หนับกินมันก็ห่อเหี่ยวไปแล้วก็ใบมันก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปด้วยกันพร้อมๆกันนั่นเองตั้งแต่รากแก่หลอกข่อยขึ้นมาไม่มีอะไรจะตายก่อนตายหลังเลยมันตายพร้อมๆกันไปโดยลนดับนอกจากวัตถุใดที่ยากกว่ากันนั่นก็ไปเท่ากันหน่อยแต่มันก็ไปด้วยกัน แต่ชา้วเร็วมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมิจิเลตันหาสร ะ, ะเขาเหมือนการอภิญญาปยาสร้างคลาล่ดาบไปพร้อมๆกันหมดไม่มีอะไรเหลื อ, อมีภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นความจริงขึ้นมาให้หายสงสัยจากผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องเป็นขึ้นจากด้านปฏิบัติความจำพอเป็นแบบแกบนบแผนผังเท่านั้นความจริงเป็นสาคัญ ที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้จริงจื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพาออย่างยิ่งศีลสมาพวกสมาธิพวกปัญญานี่เป็นธรรมสำคัญมากต่อกิเลสประเภทต่างๆเพราะเหตุไร ก, กิเลสนั้นเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับฆ่าศัตรูเราเองกับกิเลสนั้นเป็นฆ่าศัตรูต่อกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนที่เราจะนําเครื่องมือนี้เข้าต่อตู้กับกิเลสผู้ที่จะวินิจฉัยใข้ควรหรือให้รู้จริงเจริงตามความหมายอย่งธรรมของพระเจ้าลึกซึ้งอย่างละเอียดจะต้องทราบทางภาคปฏิบัติ อย่างคําจํามานั้นทําให้ทราบไม่ได้มันเป็นความจำํามันไม่เป็นความจริงอาจจะเทียบแล้วก็เหมือนหนึง่งคนนี้ก็เรียนวิชาทหารวิชารบคนนั้นก็เรียนวิชารบเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้ออกสู่แนวรบมาอย่างช่ำชองอย่างโชคชนชีวิตรอดตายค่อยเหลือมา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 ผู้เรียนผู้มีหลักเรียนหลักพิชาการเฉยจะไม่มีความคล่องแคล่วแกวกร่าไม่มีความสามารถอาาักษรไม่มีความคล่องตัวไม่มีความชำนิชำนาญเหมือนผู้ที่เคยเข้าแนวโลกมาแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นความจริงแล้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือภาคปฏิบัติเข้าแนวสู่แนวโลเป็นภาคปฏิบัติตามหลักพิชาโลกแล้วผู้นั้นแหนเป็นผู้ที่จะได้เหตุได้ผลได้ความเข้าใจ จากการลบมาเต็มพรมใจของตนเองผิดกับผู้ที่ศึกษาวรียนวิชาลบแต่ไม่ได้เข้าแนวลบนี่เป็นอะ ไ, ไการเรียนก็เป็นเหมือนกับเรียนวิชาลบเราเรียนไปรียนแต่เราไม่ได้เข้าแนวลบคือไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดูจึงไม่รู้ความลึกตื้นหนาบางของธรรมที่ท่านแสดงไว้ตีความหมายไปไหนโดยความจำเป็นความผิดไปทั้งหมด ผิด ก, กันมากทีกเดียวกับภาคปฏิบัติการปฏิบัติด้วยตนเองพิสูจนด้วยการปฏิบัติโดยถือหลักปริยัติเป็นเข็มทิศทางเดินนําหลักธรรมของอุพรชเจ้ามีสติปัญญาเป็นต้นมาเป็นเครื่องหมุนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสประเภทต่างๆอ้ากกิเลสประเภทไหนมีความหนักเบาแค่ไหนเช่นราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นอโลภะเวลาเกิดขึ้นโธความ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 จะต้องทุ่มเทลงถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงสิงถึงความจริงเป็นตัวจึงจะได้ชัยชนะจากการปราบตามกิเลสประเภทนั้นๆลงได้เนี่ยเมื่อการทําอยู่ทุกวันปฏิบัติอยู่ทุกวันก็เท่ากับเราเข้าแนวรบอยู่ทุกวันจะต้องเจอกับแง่งอนต่างๆของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตทุกระยะเวลาและมีการต่อสู้รบ ปันแหแแบบกันอยู่ภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญอยู่ตลอดไปแล้วเราก็ยิ่งมีความชมํนานิชานาญในภาพปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้ ง, นะงเป็นความจรินให้เห็นประจักษ์ใจหายสงสัยไปโดยลําดับลาดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางจนถึงขั้นยิ้มดหลุดพ้นไปได้ดังที่จะอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพปฏิบัติที่ว่าอาวิชาปัญญาสร้างข้าราน ภาคปฏิบัติต่อวิชาจริงปฏิบัติอย่างไรก็ได้อธิบายให้ให้ผ่านไปแล้วนั้นแหละคือภาคปฏิบัติภาคเข้าสู่สงครามต่อสู้กับศัตรูด้วยเครื่องมืออันทันสมัยมีสติปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นยอดแห่งเครื่องแห่งธรรมที่ทันสมัยจึงปราบกิเลสมัตจักได้แจวิชาให้สิ้นสร้างลงไปภ า, ายในจิตใจได้แล้วเป็นความจริงขึ้นมาอย่างเป็นดวง ใจที่กิเลีสหลุดพ้นพ้นจากกิเลสโดยชิ้นเชิงแล้วเป็นใจที่ทรงความจริงไว้อย่างเต็มส่วนเป็นของอัศจรรย์อย่างเต็มที่นั่นแหละความจริงเต็มที่อยู่ในนั้นและทราบทั้งเหตุที่เคยดําเนินมาหนักเบามากน้อยเพียงไรกับกิเลสประเภ ท, ทต่างๆที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัติความหมายขนาดไหนของมัชฌิมาคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความหมายของมัชฌิมาได้เป็นอย่างดีด้วยการ นำมัติมานี้เข้าต่อสู้กับกิเลสกิเลสประเภทไหนมีความรุนแรงขนาดไหนมัติมาจะต้องใช้ความรุนแรงขนาดไหนถึงจะฟอกัหรือเหนือกิเลสไปได้โดยลําดับผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบได้เพราะทําเองปฏิบัติเองเข้าสู่แนวโรคเองจนกระทั่งกิเลสหมอบรากไปโดยลําดับําดับเพราะมัติมาประเภทที่ทันสมัยทันสมัยกับกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งทะลุปลุกปงไปหมดไม่มีสิ่งในเหลือกิเลสเรียบราก หรือต่จะใช้ชนะแอมพูนีนี่คือผู้ช่ำชองในแนวรบด้วยการปฏิบัติผู้นี้แหลเป็นผู้ทรงความจริงไว้ได้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มอัดเต็มทมไม่สงสัยในในเรื่องธรรมทั้งหลาย ม, มีมัชิมาปฏิปทาเป็นต้นว่ามีความหมายแค่ไหนมั่งเข้าใจได้เป็นอย่างนี้ไม่เพียงแต่ศัก์จะว่าเข้าใจว่ามัชิมาปฏิปทา เดินทางสายกลางมันกลางขนาดไหนมันจึงพอดีกับคําว่ามาัชฌิมานีแยกมัชฌิมาคือมีสี ส, สมาที่ปัญญานี้เป็นเป็นต้นนี้ไปต่อสู้กับเคสลองดูซีถ้าเราอยากจะทราบมัชฌิมานีมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนมันก็ทราบกันนั่เองเพียงมัชฌิมาเดินทางสายกลางเฉยๆอย่างนั้นมันไม่มีมันไม่ได้เหตุได้ผลอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรกับทราบความหมายเพียงเท่านั้น แต่มันเกิดผลเกิดประโยชน์เพราะนำมัชจิมานี้ออกสู่แนวรบต่อสู้กับกิเลสด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะเห็นความจริงขึ้นมาภายในตัวเองแล้วหายสงสัยทั้งคำอามัชจิมาปฏิปท า, าทั้งกิเลสทุกประเภทที่ได้ถูกปราบด้วยมัจจิมาปฏิปท า, าแล้วจะสงสัยไปที่ไหนนี่ธรรมของ พ, พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับการปฏิบัติของเรานี้เราอย่าไปคาดไปหมาย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 เป็นผู้ทรงไม้ซึ่งความจริงอย่างพระสรรคนั่นแล้วก็ต้องพยายามอยากเห็นความจริงมีอยู่กับหัวใจดวงนี้แหละไม่อยู่ที่ไหนแหละอยู่ที่ตรงนี้นเวลานี้มันไม่ประเสริฐกับเพาะสิ่งจอมปลอมสิ่งสกปรกโรบรวมลังสิ่งต่าตําช้าเรียบงั้นทั้งหลายคราบหัวใจอยู่เท่านั้นเมื่อชำระสาสางหรือฟาดฟันอันนี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเลาแล้วจิตไม่ต้องบอก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 สงใช้นาคตหาประโยชน์อะไรเพราะปัจจุบันนี้เต็มสั์เต็ส่วนแล้วด้วยความจริงยืนยันกันอยู่กับนี้เรียวกว่าสันที่ิโกรู้อยู่ที่ใจนี้แล้วว่ารอบแล้วพร้อมแล้วหรือพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่หิวไม่เอื้องนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นทีน่จิตนี้ขอให้ทุกท่านได้เอาให้ต็มแมเต็ม หือถอนตนออกจากทุกข์ยาไปคํานึงว่าความยากความลําบากให้เห็นว่าพิษของกิเลสนั้ น, น่ะเป็นสิ่งที่ทรมานสัตว์โลกให้ได้รับความยากคําบากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ได้ทําโลกให้ล่มจมไม่ได้ทําเราให้ล่มจมทิพไายเราจะเห็นว่าเป็นความลําบากละมุนไปที่ไหนมันก็เป็นการเสริมกิเลสอย่างยิงคล้อยตามกิเลสหลงกลมมายาของกิเลสที่เว ล, า, เล า, เจาจะประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนออก